เรื่องพระฉับพักขีขึ้นต้นไม้สมัยนั้นพวกภิกษุฉับพักขีขึ้นต้นไม้ไต่จากต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่งคนทั้งหลายตำหนิประนามโผลนทนาว่าเหมือนลิง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 ไปกรุงสาวัตถีในแคว้นโกสนระหว่างทางถูกช้างไล่ภิกษุนั้นวิ่งไปที่โคนไม้ยาเกรงอยู่จึงไม่ยอมขึ้นพอดีช้างนั้นเดินไปทางอื่นครั้นภิกษุนั้นไปถึงกรุงสาวัตถีได้บอกเรื่องนั้นให้ภิกษุทั้งหลายทราบภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้